ข้าพเจ้าพระภัยบูนอาพิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันมาพบปะพูดคุยในเรื่องธรรมะอันเป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าของเราประกาศไว้ดีแล้วเป็นคําสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในเรื่องของคําสอนนี้ก็มีสมัยหนึ่ง ที่ตอนนั้นระพุทธานั่งอยู่ใต้ต้นไทรหลังจากที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆ ใ, ในบริเวณตําบลขยาในซึ่งถ้าเราไปดูในสถานที่นั้นใปัจจุบันนี้ตําบลขยาก็จะมีภูมิภาคในอย่างไรอย่างไรก็มีจุดที่เป็นต้นโพในที่สันนิษฐานว่าเป็นจุดนี้แหละที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เอาไว้แลมีการสร้างเจดีย์อะไรต่างขึ้นนะห่างไปอีกสักหน่อยหนึ่งก็มีต้นไทร นะซึ่งเป็นที่พระรูชาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นต้นไทรที่พระองค์ก็มานั่งอยู่แถวนี้ละมานั่งพักเป็นต้นไทรที่พวกเด็กเลี้ยงแพนะจะใช้เป็นที่นั่งพักเหมือนกันนะพระองค์มานั่งอยู่ที่ทนั้นตอนนั้นยังไม่ได้ไปสอนใครนะก็นั่งเสวยวิมุตติสุขนะในอัตตะคาตาจายัยเขาเขาว่าอย่างนั้นนะถึงการเสวยมุตติสุขของพระรูชานะั่งอยู่ในที่นั้นก็มีความดําบี คามคิดขึ้นมาว่าสัตว์โลกเนี่ยที่ยังไม่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมนะยังถูกกลุ่มมืดกลุ่มหมอกของอวิชชาห่อหุ้มปกคลุมอยู่ยังถูกรัดรึงอยู่ด้วยตันหาอยู่ถูอวิชชาห่อหุ้มอยู่นี่จึงทําให้ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมนะอนเป็นเรื่องทวนกระแสเป็นเรื่องที่จะให้ออกจากทุกได้ นะซึ่งในที่นั้นก็มีความคิดความนิมิตว่าเอ๊ะอะไรเนาะจะเป็นเครื่องมือนะที่ทําให้เราสัตว์ที่อยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะเป็นยุคปัจจุบันที่คนมีอายุประมาณร0อยปีนะเกินกว่านี้ก็มีนิดหน่อยจะทําให้รู้ถึงธรรมะได้นั่นแปลว่าสัตว์ในยุคปัจจุบันนี้หนามากนะฟังหนามากนะถูกกลุ่มมืดห่อหุ้มปกคลุมอย่างหนานแน่น ถูกตันหารัดรึงอย่างเหนียวแน่นน่น แ, แน่นกว่าสมัยก่อนๆที่ผ่านมาเราสังเกตได้จากอะไ ร, รก็สังเกตได้จากอายุมนุษย์ที่ลดลงสมัยก่อนมนุษย์มีอายุมากกว่านี้มนุษย์ก็มีอายุมากเกินกว่าร0 0ยปีอยู่แต่เราก็ค่อยๆลดลงมาเพราะว่าอากุศลธรรมที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นพออกุศลธรรมมันจเจริญมากขึ้นาไอ้ข้าวปลาอาหารที่มันดีต่อสายพันธุ์ของมนุษย์มันก็ลดลงลดลง เสื่อมลงเสื่อมลงมนุษย์ก็อายุน้อยลงน้อยลงเสนะื่อมไปบ้างเจริญบ้างก็เป็นสมัยสมัยไปซึ่งในสมัยเหล่านั้นก็เคยได้เล่าถึงพระพุทธเจ้าในสมัยต่างๆมีอายุ2 0 0 0 0ืปีบ้าง4 0 0 0 0ื 40, ปีบ้างห0 0 0นปีบ้าง 5,000 ปีบนะ้างจนสมัยที่อายุมนุษย์ที่น้อยที่สุดนะที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นได้ก็คืออายุประมาณ100ปีนะซึ่งสมณะโคโดมเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าองค์นั้น ที่จะมาสามารถบอกสอนมนุษย์ที่มีความหนาที่สุดในวงรอบของความเป็นมนุษย์ละห น, น, นานมากๆละนะซึ่งจงต้องเป็นพรตเจ้าที่มีปัญญามากซึ่งในที่นั้นก็มีความคิดความนริว่าเอ๊จะทำยังไงนะอะไรจะเป็นเรื่องที่จะให้เหล่าสัตว์ที่ถูกกลุ่มมืดห่อหุ้มเนี่ยรู้ทําเห็นธรรมาได้นะก็ได้มีความคิดความนริในเรื่องนี้ขึ้นมาก็จึงได้ นบริถึงเรื่องของสติปัฏฐานทั้งสี่ณว่าสติปัฏฐานทั้ง4ี่เนี่ยเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวณเช่นคะำพูดนี้ว่าหนทางเครื่องไปทางเดียวณนะเพื่อความก้าวล่วงบริสุทธิ์หมดจดแห่งศาตร์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรําพันธ์เพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานณนะเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องอริยญาณธรรมเพื่อที่จะพ้นจากทุกได้ณนะทางนั้นคือสติปัฏฐานทั้ง4ี่ นะสติประฐานสี่ทั้งฝั่งเป็นทางทางเดียวนะไม่ว่าวิธีปฏิบัติของใครก็จะคิดมารูปแบบไหนก็บอกมีหลายวิธีหลายวิธีจริงๆมีวิธีเดียวนะคือวิธีทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องมารวมลงอยู่ที่สติประฐานทั้ง4ี่นะซึ่งสติประฐาน4ี่ก็คืออริยามรรคมีองแปดนั่นเองนะมรรคแเนี่ยถ้าเราจะพูดก็แยกเป็น8อันใช่ไหมแต่จริงๆมันต้องรวมเป็น1นะเหมือนถนนสายเดียวแต่มีองค์ประกอบ8อย่างนะเส้นทางเส้นเดียวเนี่ย ก็คือสมาสติด้วยเหมือนกันสติปัฏฐาน4ี่ด้วยเหมือนกันเราอาจจะแบ่งย่อยลงไปพูดให้กว้างขึ้นก็เป็นศีลสมาธิปัญญาพูดให้ย่อลงไปอีกก็คือสมถาวิปัสนาพูดเหลืออย่างเดียวนัก็คือสตินั่นเองในสติปัฏฐาน4นั่นเองสติปัฏฐาน4ก็แยกได้เป็นสมถาวิปัสนาแล้แยกออกไปกว้างขึ้นก็เป็นศีลสมาธิปัญญาแยกออกไปบรรยายออกไปให้มันละเอียดขึ้นก็เป็นอริยมรรคมีองแปดอย่างนี้เป็นต้น แตนะ่ซึ่งมันคือเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นทางสายเอกทางสายเดียวตรงนี้นันะเป็นทางเดียวซึ่งทางทางเดียวคือสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยเป็นทางที่สําคัญมากันะเป็นเรื่องที่สําคัญมากตั้งแต่ก่อนหลังจากตรัสรู้ก่อนที่จะไปหาปัญจวัคคีย์ก็พูดเรื่องสติทําไมถึงว่าอย่างนั้นทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องสําคัญต้องพูดตั้งแต่ตอนต้นนันะยังไม่ทันไปสอนใครก็จะไปคิดว่าสอนเขาเรื่องอะไรก็จะสอนเรื่องสติปัฏฐาน4ี่ ตอนก่อนจะบรินิพานนอนสีห์สายยาอยู่ระหว่างต้นสาระคู่ที่สวนสาระในเมืองกุสินาระก็พูดถึงความไม่ประมาทซึ่งก็เป็นคำเดียวกันกับคำวัาสตินั่นเองสติก่อนสติหลังสติตรงกลางมัาสำคัญมากเพราะนั้นถามว่าไอ้เจ้าสติสติที่บอกให้มีสติเนี่ยมันเป็นยังไงนะสติแปลว่าอะไรฟังสติแปลว่าอะไรตามความหมายคาศัพท์นะสติแปลว่าความระลึกได เราระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม่นานได้อย่างแค่เรานึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานฉันกินอะไรนี่นการระลึกถึงตรงนี้เป็นสติทันทีเมื่อวานมีคนโทรมาหากี่คนเราระลึกได้เอ๊ะฉันพูดอะไรกับแม่ไปเราระลึกได้นะเมื่อวันนี้ของปีที่แล้วฉันทาอะไรเราระลึกได้นี่คือสติตรงนั้นคือความระลึกได้นะคือเรื่องอะไรยกไปก่อนนะแต่ความที่เราระลึกได้เนี่ยนั่นคือสติ แต่ตอนนี้ถ้าเผื่อว่าเราไประลึกถึงเรื่องไม่ดีเรื่องที่ผ่านมาแล้วหรือเรื่องอะไรก็ตามเถอะที่มันไม่ดีและจิตใจเราเศร้าหมองเช่นคุณถูกแฟนทิ้งคุณอกหักรักคุดแคุณก็คิดถึงความรักเก่าๆที่มันเคยหวานชื่นโศสุดท้ายก็มาหักหลังฉั น, นคิดถึงปุ๊บก็ปวดใจคิดถึงที่ไหนก็ร้องไห้อันนี้มีสติอยู่แต่เรียกว่าเป็นมิจฉาสติเป็นสติที่ ที่จะทำความเดือดร้อนทําความกระวนกระวายให้กับใจของเราแตนะคนที่เขาชอบคิดจ้างเรื่องที่มันไม่ดีไม่ดีแตนะ่ชอบนึกถึงจ้างเรื่องที่แย่แย่แต่พวกนี้คือลักษณะของมิจฉาสตินะัคือการคิดถึงสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลธรรมนะคิดแล้วจิตใจของเราก็วั่นไหวเดือดร้อนไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นถ้ามันเป็นเรื่องที่ทําให้เราลุ่มลงกําหนัดเพลิดเพลินนะเราชอบเราอยากเรามี อยากได้อยากมีอยากเป็นมันมก็จะทําให้เรากําหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลิน ม, มวัวเมาแสวงหานะปัญหาต่างๆก็ตามมานั่นก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสตนะิแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ทําให้เราเดือดร้อนครับอกคลับใจคลับแคขนเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจแล้วนะก็จะทําให้เรากระวนกระวายมีความร้อนความเดือดร้อนในใจอยู่ด้วยก็เป็นลักษณะของมิจฉาสติเหมือนกันที่พูดถึงนี้แล้วไม่ใช่บอกว่าไอ้ความคิดทุกเรื่องมันจะเป็น เรื่องไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะซึ่งเราสังเกต ด, ดูกันได้คนที่ อ, อกหักบางคนนะเขาผ่านไปสองปีสาปีสิบปเออีเขาคิดถึงเรื่องเดิมๆอีกก็ได้ก็ระลึกได้แต่คราวนี้ไม่ร้องไห้ไม่รู้สึกเจ็บปวดฮะรู้สึกธรรมดาเฉยๆนะตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นสมาสติแล้วทําไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าสติคือเราระลึกถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราระลึกถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้ว เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เป็นในแนวทางอากุศลทำให้เรามีราคาเกิดขึ้นทำให้เรามีความรุ่มหลงหรือทำให้เรามีความไม่พอใจความโท่สะเกิดขึ้นอันนั้นไม่ดีเป็นมิจฉาสติแต่ถ้าเรื่องใดเรารลกถึงแล้วเห็นตามที่เป็นจริงว่าเออนั้นมันก็เป็นธรรมด า, ามันเป็นของไม่เที่ยง ม, มีความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนัตตากูเห็นอย่างนี้การรึกถึงตรงนั้น จะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามเรื่องคนอื่นก็ตามเรื่องฉันก็ตามเรื่องใครก็ตามนั่นเป็นสัมมาสติได้นะสถานการณ์คิดเรื่องเดียวกันนะแต่ว่าเป็นสัมมาอันหนึ่งเป็นมิจฉาสติอันหนึ่งเป็นสมาสติท่านผู้ฟังต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้ดีสามอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเราคิดถึงอย่างเช่นความผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะเงินหายญาติตายโอ้คิดแล้วเสียใจนะเสียใจวันไหวไปตามสิ่งนั้น อันนี้เป็นการระลึกถึงตรงนั้นเป็นมิจฉาสติแต่ถ้าเราระลึกถึงแล้วเราเห็นสภาพตามที่เป็นจริงเอออกหักเลิกกันก็ธรรมดาแตนะ เ, เห็นความเป็นอนัตตาในมันคนเงินหายญาติตายสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเราถูกหลอกเราระลึกถึงตรงนั้นเห็นความเป็นอนัตตาของมันการระลึกถึงตรงนั้นเป็นสัมมาสติได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าการคิดนั่นคิดนี่คิดโน่นแล้วจะกลายเป็นความฟุง้งซ่านหมดไม่ใช่แตนะ่ถ้าเราจะคิดว่า ค น, คนที่เป็นพระอาหารตรัสรู้แล้วน่ยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เขาจะไม่ได้คิดอะไรเลยหัวสมองว่างโปรง่งเหมือนข้างในเป็นกลางมะพร้าวน่ยไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นก็าา จ, จะคิดอยู่อาจจะมีความรู้ความจําความสติอะไรต่างๆผ่านมาแต่เห็นตามที่เป็นจริงได้นให้สิ่งที่เราระลึกถึงนั้นเป็นสัมมาถสติได้ไอ้ตรงนี้แหละที่ทําให้บางคนอาจจะมีความสับสนความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง นะีว่าโอ้ยฉันคิดนั่นคิดนี่โอ๊ยจิตใจสั้นฟุ้งสั้นอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ถึงแม้ความฟุ้งสั้นเป็นนิวรณ์ห้าแตคุณยังมีสติอยู่ในนิวรณ์หได้โดยซ้าแต่ถ้าเราเห็นพวกนิวรณ์หตามได้เป็นจริงนะเราก็มีสติได้คือการมีสติบางทีมันยังละไม่ได้นะมันยังมีสิ่งที่มาเอา่อมากลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตอยู่แต่อย่างน้อยเรามีสติพอที่จะรักษาจิตไม่ให้วันไหวไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้น อันนก็เรียกว่ายังมีสัมมาสติอยู่ละได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก่อนนะเปรียบเสมือนกับเจ้าสัตว์6ชนิดที่ถูกผูกอยู่นะที่เสาเกินเสาหลักถ้ามันยังดึงอยูนะ่เชือกมันได้รับแรงดึงอยู่มันยังมีแรงอยู่เชือกมันได้รับแรงดึงเสามันก็ต้องรู้สึกถึงแรงดึงได้แต่เชือกยังไม่ขาดเค่อย่างกรณีที่เรามาฝึกจิตให้มีสติเรารู้ว่าเรามีนิวรณ์แต่นิวรณ์ยังไม่ดับแล้ก็เหมือนเจ้าสัตว์6ชนิดนั้นที่มันยังยังมีแรงดึงอยู่ มีแรงดึงมันก็ดึงไปแต่แต่ถ้ามันขาดเมื่อไหร่คือเราลืมหลงสติแล้วเราจะวันไหวไปตามมันละวันไหวไปตามความขี้เกียจขี้คร้านวันไหวไปตามความฟุ้งซ่านไม่พอใจพิชาโทมนัสความพยายามอะไรต่างๆว่นไหวไปตามนั่นคือเชือกขาดล้วแต่ถ้าเราปลูกเชือกไว้สิ่งนั้นอาจจะยังมีกําลังแต่เราฝึกสติของเราให้ดีพอสิ่งนั้นอ่อนกําลังลงมันก็จะดับไปก็เหมือนเจ้าสัตว์6ชนิดที่มันถูกปูกอยู่มันดึงดึงไปดึงไม่ไป ดึงจนกระทั่งมันเหนื่อยแล้วมันก็จะมายืนเจา้านั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ที่ข้างเสาเขื่อนเสาหลักหนึ่งสติตรงนี้นั่นคือสมาสติเพรา ะ, ะนั้นเราฝึกสติเพื่อให้จิตของเรามีกำลังในการที่เราจะเห็นตามที่เป็นจริงไปตามทางของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งสิ่งที่พระพเจ้าพูดอยู่เป็นประจำก็คือเรื่องของการระลึกถึงนึกถึงโลมายใจ นะ่นคือแทนที่เราจะให้จิตของเราไปคิดเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันใช่อยู่ในอย่างตั้งแต่ตอนแรกที่พูดในรายการว่ามันอาจจะเป็นสัมมาสติก็ได้นั่นะอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้เราเห็นความเป็นอนัตตาเห็นตามที่เป็นจริงได้ซึ่งอันนั้นก็ดีแต่มันก็จะมีปัจจัยเสียงว่าบางทีเราอาจจะไม่สามารถที่จะเห็นตรงนั้นได้แันะ่ซึ่งเครื่องมือที่พระเจ้าให้เอวัยน่นะก็คือลมหายใจน่นะให้เครื่องมือคือลมหายใจเอาไว้ในการที่เราจะใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือ ที่จะให้จิตของเรามาตั้งอยู่ตรงนี้แทนที่จะให้จิตของเราไปคิดเรื่องไอดีตอนาคตดีไม่ดีไม่เอาไม่เอาให้จิตของเรามาอยู่กับลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนั่นคือสติปัฏฐานะคุณจะใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้นคือแทนที่ให้จิตนั้นไประลึกถึงเรื่องที่ทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเอาเราใช้ลมหายใจของเราเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงให้จิตมันมาก้าลงตรงนี้ อ๋อจิตมันก้าวลงตรงนี้มันก็วางจากอารมณ์นั้นดับจากอารมณ์นั้นนะซึ่งถ้าอารมณน์นั้นๆเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นอารมณ์ที่ทําให้เรามีความโกรธเป็นอารมณ์ที่จะทำให้เรามีความโลภความหลงนะเราวางจากนั้นวัดปุ๊บเนี่ยแล้วจิตของเรามาอยู่กับเราหมายใชยเนี่ยตรงนั้นคือลักษณะของการที่จิตหลุดพ้นละหลุดพ้นจากอารมณ์นั้นนาการหลุดพ้นตรงนี้ก็คือวิมุตินั่นเองวิมุตไปว่าการหลุดพ้นนะซึ่งอันนี้นจะสอดคล้องกับพุทธพจน์ที่บอกถึงว่า อ, อินทรีย์เนี่ยจะเป็นที่เล่นไปสู่จิตใช่จิตเนี่ยจะเป็นที่เล่นไปสู่สติสติจะเป็นที่เล่นไปสู่วิมุตติังอีกครั้งหนึ่งนะอย่างสมมุติว่าอินทรีย์ของเรานะ่คือตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจพวกนี้เป็นอินทรีย์เป็นช่องทางที่จะให้สิ่งภายนอกเนี่ยเข้ามามันจะเข้ามามันจะมาเจออะไรมันก็ต้องมาเจอจิตจิตต้องเป็นตัวที่เข้าไปรับรู้นะเช่นเราดูหนังเราฟังเพลงนะเราไปเล่นดนตรีนะพวกนี้ มันผ่านช่องทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งสิน้นณผ่านมาแล้วมันจะไปไหนต่ออย่างสมมติถ้าเราอ่านหนังสือเราขํามเครื่องการหนังสือแม่เรียกครั้งที่2ที่สมเราไม่ได้ยินนั่นราะว่าเสียงมีอยู่ไหมมีอยู่หูมีอยู่ไหมมีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปถึงใจะทําให้มันไม่สามารถที่จะไปรับรู้ได้ซึ่งอินทรีย์ทั้งหมดถ้าจะให้ถูกต้องณเกิดเป็นภาษาที่จริงนัณมันก็จะต้องไปรวมลงที่จิตณอินทรีย์จึงเป็นที่เล่นไปสู่จิต เนะเมื่อเราได้ยินเสียงแม่แล้วเราถึงจะตอบสนองได้ลักษณะนี้ก็คือมันไปโดนจิตนั่นเองพอไปโดนจิตจิตก็รับรู้นะซึ่งตรงเนี้ยคือสิ่งสาคัญถ้าจิตไม่มีที่รักษาไม่มีที่อยู่จิตนั้นก็จะถูกเจ้าเสียงที่ผ่านมาทางหูดึงออกไปดึงออกไปไหนก็ไปตามอำนาจของมันนะถ้าสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อจะทให้เกิดความกาหนัดุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินยินดี มันก็จะพาจิตไปกำนัดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินยินดีถ้าสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อความโกรธความคับแค้นความเร่าร้อนความเดือดร้อนมันก็จะผ่านมาทางตาหรือหูจ ม, มูกลิ้นกายหรือใจมาดึงจิตออกไปให้ไปวันไหวครับแค้นโกรธเครื่องเดือดร้อนไปตามสิ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไรคือมานั่นเองนามันมันก็จะผ่านมาทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ถ้าเรายังอยู่ในอำนาจของตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ชื่อว่า ย, ยังตกอยู่ในอำนาจของมานนะเป็นสถานที่เล่นของมานเลยมานก็จะเที่ยวเล่นอยู่แถวนี้นะแล้วมันก็จะวางกับดักไว้ตรงนั้นวางกับดักไว้ตรงนี้นะ ว, วางกับดักที่เวลาผ่านเข้ามาปุ๊บจิตมันไม่ฉลาดนี่ใช่ไหมถ้ามันไม่ฉลาดมันก็จะถูกมานกับดักของมานหรือมานดึงไปตามช่องทางเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่มีตัวรักษามันก็จะ เป็นไเป็นธาตุนั่นเองเป็นธาตุเพราะฉะนั้นอย่างกรณีที่พูดถึงว่าคุณ อ, อกหักรักคุดนะคุณคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วมันทำให้คุณเจ็บช้าน้ําใจคิดถึงทีไรก็เหมือนเอามีดปัก อ, อกทุกทีเดือดร้อนใจคล่ำร่ําให้คร่ําครุนทุกทีนั่นะนี่คือกับตกของมันอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจิตของเรานะไม่สามารถเล่นไปสู่สติได้นะจิตไม่เล่นไปสู่สติได้มันก็จะถูกดึงไปตามผัสสะเราจึงต้องรักษาจิตด้วยสติ อินทรีย์ทั้งฝั่งอินทรียตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจของเราเป็นที่เล่นไปสู่จิตจิตถ้าไม่เล่นไปสู่สติมันก็จะถูกมารดึงไปตามหูตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจเพราะฉนั้นจิตจึงต้องมีสติรักษาพระเจ้าจึงบอกว่าจิตเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่สตินะเพราะว่าถ้าไม่มีสติรักษาจิตก็จะไปนู่นไปนี่เลยตามเรื่องตามราลวละเพรา ะ, ะนั้นการที่ไปนั้นไม่ใช่หมายความว่าไปตามความคิดนะความคิดเรามีได้ แต่ไปตามสิ่งที่บรรดากุศลธรรมเราไม่ไปนะสตินี่แหละจะเป็น d o ที่ปิดกัน้นเหมือนกับนายทวารปิดกั้นศัตรูปิดกันดก้นคนที่ไม่รู้จักให้เข้าแต่คนที่รู้จักนายทวารเป็นผู้ฉลาดนะอยู่ที่กำแพงเมืองอยู่ที่ประตูของกำแพงเมืองนะประตูเมืองคนนี้เป็นคนที่ชั่วช้าลามกเป็นคนหยาบไม่ให้เข้าคนนี้เป็นคนดีให้เขาได้ภารษาเดียวกันเนี่ยนำเรื่องที่ดีมาก็มี นำเรื่องที่ไม่ดีมาก็มีนะเราปิดกั้นเรื่องที่ไม่ดีบางทีเราก็คุมภาษาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ได้กรรมแต่ละคนทํามาไม่เหมือนกันการที่เรารับรู้ต่ออารมณ์ได้การที่เรารับรู้ต่อภาษาได้นั่นคือกรรมเก่าของเราแต่สิ่งที่เราเลือกได้สิ่งที่เราทําได้คือทําสติของเราเลือกที่จะใช้สติของเราในการที่จะเลือกสิ่งที่เป็นกุศลกันมาในการที่จะปิดกั้นสิ่งที่เป็นอกุศลไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ จิตเราก็จะตกอยู่ในอำนาจของมันณมันะมันก็จะปู้ยี่ปู้ยำจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นถ้าปอกว่าจิตของเราไม่มีสติเราจะพลาดณนะสตินี่แหละจะทําให้จิตของเรานั้นถึงความหลุดพ้นณะเอาแค่ว่าคุณถูกขับรถปาดหน้าคุณขับรถไปที่ทํางานหรือไปโรงเรียนณนะขับรถปาดหน้านี่ถูกมาใส่ขับรถปาดหน้ามันจะจี๊ดขึ้นมาณนะคุณมีภาษาเกิดขึ้นทางตาใช่ไหมเกิดขึ้นทางตาปุ๊บมันผ่านเข้ามา นะรูปแสงเหล่านี้ผ่านเข้ามาทางตาปุ๊บเข้าถึงใจใจเรารู้สึกพัวเมื่อไหร่ปุ๊บถ้าบอว่าใจของเราไม่มีสติรักษาก็จะถูกอารมณ์นั้นดึงจิตผ่านทางตาออกไปโกรธปีติขึ้นมานะปากก็เริ่มขยับมือก็เริ่มขยับเป็นเรื่องขึ้นมาอีกนะแต่ถ้าจิตของเรานะมีสติรักษามีสติรักษาปุ๊บจิตของเราไม่ไปตามอารมณ์นั้นการอาการที่จิตไม่ไปตามอารมณ์นั้นเพราะมีสติรักษา มีลมหายใจเช่นเราระลึกถึงลมหายใจเป็นต้นหรือเราระลึกถึง พ, พระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้เราระลึกถึงลมหายใจเอ้าเพราะาเมื่อไรเนี่ยจิตของเราหลุดพ้นจากอารมณ์นั้นทันดีจิตของเราไม่ไหลไปตามอารมณ์นั้นทันดีอาการที่จิตของเราไม่ไหลไปตามหลุดพ้นจากอารมณ์นั้นชั่วงขณะหนึง่งตรงนี้เขาเรียกว่าวิมุตต์นั่นเองแต่วิมุตตแต่ตรงนี้อาจจะเป็นวิมุตต์ที่กลับกําเริบถ้าคุณยังมีเชื้ออยู่คืออวิชชาแต่มันก็อาจจะกลับกําเริบอีกได้ นะไปติดตึบอีกเหมือนกันเอาเราก็ต้องมีสเต็เกให้มันหลุดพ้นมามีวิมุตออกมาซึ่งถ้าเราฝึกไปทําไปฝึกไปทําไปเราก็จะทําให้วิมุตคือการที่เราวางเราหลุดพ้นจากตรงนั้นเนี่ยไม่กลับกําเริบไดนะ้เป็นวิมุตที่สูงสุดละนะเป็นการหลุดพ้นที่ดีที่สุดละนั่นคือความเป็นพระอารานันเรายกตรงนั้นไว้ก่อนเรากํนะาลังพูดถึงกระบวนการที่ว่าอินทรีย์เข้ามาพวกมันจะไปสู่จิตจิตถ้าไม่ได้รับการรักษามันจะไหลไปตามสิ่งที่มากระทบ เพราะนั้นจิตต้องได้รับการรักษาด้วยสติจิตจึงควรที่จะต้องแล่นไปสู่สติเนะเรารักษาจิตอย่างนี้นะั้อจิตตรงนี้การที่จิตแล่นไปสู่สติตรงนี้มีการควบคุมไหมมีแน่นอนแต่เป็นการควบคุมในลักษณะหนึ่งนะื้อซึ่งจะทําให้จิตของเรานั้นไม่วั่นไวายไปตามอารมณ์ที่ที่ว่ามาถึงนี้แล้วอาการที่จิตของเรานะื้อหลุดพ้นจากอารมณ์ที่มันมากระทบมีภาษาอยู่นะมีภาษาอยู่แต่หลุดพ้นจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับภาษานั้นอาการหลุดพ้น การที่เราหลุดออกจากตรงนั้นได้คือวิมุตต์ตรงนี้เพราะฉะนั้นสติจึงเป็นที่ลั่นไปสู่วิมุตต์ได้ณนะช่วงขณะหนึ่งเดียวนี้คุณเห็นได้ทันทีนะเอาแค่ว่าคุณฟังธรรมะอยู่คุณฟังธรรมะอยู่คุณรู้สึกถึงความที่มีความร่าเริงในธรรมนะคุณรู้สึกถึงความที่ธรรมะนี้ฉันสามารถปฏิบัติได้คุณรู้สึกถึงความที่ฉันอยากจะชักชวนคนอื่นเข้ามาฟังธรรมะคุณรู้สึกถึงความที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉันรู้ได้เฉพาะตนมีความร่าเริงมีความบันเทิงในธรรมนี่แหละคือธรรมะ นุสตินัรมอนุสติเป็นหนึ่งในอนุสติ10อย่างอยู่แลังนเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่บางคนจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ท่องอิติปิโสบ้างบางคนจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ใช้พุทโธบ้างบางคนเห็นถ้วยกาแฟก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ก็ดีเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องระลึกถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้านระลึกถึงการตรัสรู้ว่าพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้อย่างนี้มาถึงได้ตรัสรู้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นระลึกถึงคุณธรรมตรงนั้น นั่นก็คือพุทธานุสติแล้วนะบางคนข้าพาเจ้าก็เคยเห็นนะเขาเอาฝาบ้านของเขาเนี่ยมาเขียนนะรายชื่อวัดไหนวัดไหนที่เขาเคยไปทําบุญช่วงงานกระถินนี้เขาให้ทานที่นี่เขาจดเอาไว้จดเอาไว้แนะมาดูทีไรก็รู้สึกดีใจอันนี้ก็เป็นเครื่องให้เขาระลึกถึงการให้การบริจาคของเขานั่นก็เป็นจารานุสติบางคนจะระลึกถึงการปฏิบัติของใครสักคนใดคนหนึ่ง บางทีระลึกถึงตอนที่เราไปปฏิบัตินั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในะรักษาศีลในการที่เราจเจริญสติพวกนี้คือสังขารนุสตินั่นนะเพราะสงฆ์คือการปฏิบัตินะหรือเราอาจจะนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคือไม่ได้นึกถึงหน้าตาของท่านไม่ได้นึกถึงผ้าเหลืองหรือว่าไม่ได้นึกถึงธาตุสดินน้ำไฟลมร่างกายตรงนั้นแต่นึกถึงการปฏิบัติดีนึกถึงการปฏิบัติชอบอันนี้ก็เป็นสังขานุสติได้ อยงเช่นบอกที่เมื่อพูดเมื่อสักครู่ว่าพุทธานุสติเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไประลึกถึงพระธาตุหรือว่าระลึกถึงรูปพระพุทธรูปที่เป็นอิถิ่ปูนทรายหรือต้องเหลืองหรือไม่ใช่ว่าไปนึกถึงอย่างอื่นแต่ว่าให้นึกถึงคุณธรรมนนึกถึงคุณธรรมของพระรูชาตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นพุทธานุสติแล้วจิตของเราตรงนั้นหลุดพ้นจากอารมณ์ที่จะขึ้นขึ้นลงๆตามสิ่งที่มากระทบในการหลุดพ้นตรงนี้ก็เป็นผลจากการที่เราเกิดสติตรงนั้นณนะวินาทีนั้ น, น, นเอง และนอกจากนี้ถ้าเรานึกถึงความดีความงามของเราที่เราได้เคยทําความดีไว้เช่นการรักษาสีนเปน็นต้นแต่มีคนเข้ามายุ่วยวนล่อลวงให้เราจะผิดสินข้อสเราบอกเอาไม่ทํำมีคนมายุ่ยยวนล่อลวงให้เราโกงให้เซ็นเอกสารโกงเราบอกเราไม่ทํารเรา เ, รเารลกเาิก ถ, ถึงตรงนี้ได้นะท่านฟังพัวขึ้นมาปุ๊บคุณมีสีลานุสติทันทีนี่คือสีลานุสติจิตคุณอย่างน้อยตรงนั้นไม่ถูกสิ่งที่เป็นอารมณ์อกกุศลมาดึงไป แล้วเราสบายทันทีนั่นคือสีลานุสติเกิดลาท่านผู้ฟังหรือแม้แต่ว่าถ้าเราระลึกถึงในกายของเรานะข้าพเจ้าเคยพูดถึงว่าเอาอย่าให้จิตของเราออกนอกกายตัวของข้าพเจ้าเองที่ทําอยู่เป็นประจำะก็คือใช้อานาปานาสติกับกายยาคตาสติกู้กันเราพิจารณาเห็นผมคนเล็บฟันหนงังเห็นกระดูกของเราผมของเราเนี่ยเป็นต้นเนี่ยบางคนอาจจะมีความคิดว่าถ้าคิดถึงผม แม้ผมมันสวยผมมันนุ่มผมมันหอมผมมันน่าดูถ้าคุณเห็นอย่างนี้อันนี้เป็นมิจฉาสตินะเป็นมิจฉาสติระวังแต่ถ้าเราเห็นผมตามที่เป็นจริงนะเห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ของมันอันนั้นถึงจะเป็นสัมมาสติคุณเห็นผมสวยๆนี่แหละสวยๆนี่แหละนุ่มๆหอมๆนี่แหละเอ้าเอาลงไปใส่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวดูนะแล้วก็ลวกออกมาทําเป็นต้มยำหรือทําเป็นเกาเหลาเส้นผมมาดูโอ้โหจะเห็นความที่ อยากจะอ้วกออกมาด้วยซนี่สัมมาสติสัมมาสติเกิดขึ้นทันทีแตนะไม่ให้กายของเราออกนอกเขตผิวหนังอันนี้ก็เป็นกายยาคตาสติได้หรือบางทีถ้าเรานึกถึงนะนอกจากจากฆาศีลใช่ไหมยังมีคุณธรรมอีก2 อ, อย่างคือศรัทธาแล้วก็คือปัญญาเรามีศรัทธามีปัญญาอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของเทวดาที่เขามีกันแตนะเทวดาใครเซอร์คนใดคนหนึ่งจะเป็นเทวดาเขาต้องมีศรัทธาศีลฆ า, าปัญญา เอ็เราก็มีศรัทธาเราสีของเราจาคาของเราปัญญาของเรานะี่ยราเนื่ถึงตรงนี้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าชาคาวนสตินะ่ยปัญญาในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าปริญญาที่คุณปริญญาตรีเนะี่ปริญญาโทถ้าเป็นปริญร ญ, ญาเอกนี่จะระลึกถึงได้ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เป็นปัญญาที่เห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆตัว น, นั้นเองนะซึ่งใครๆเขาก็เห็นกันได้ถ้าคุณมีปัญญาจริงๆเหล่านี้คือเบื้องต้นท่านผู้ฟังที่จะทําให้เราจิตของเราเนี่ย เป็นจิตที่มีสติได้สติเป็นสิ่งที่สําคัญท่ผู้ฟังท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูขนาดว่าน้ําน้ําเนี่ยเขายังเอาเข้านาวิดเข้านาเอาวิดออกนานาคุณสร้างเขื่อนขึ้นมากั้นน้ําเก็บไว้ใช้ต่างๆได้ยังมีเขื่อนยังมีฝายทดน้ํามีกังหันน้ําเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการบังคับน้ําได้นาลูกสอนในช่างสอนเขาทำเหลาไม้ออกมา มันไม่ตรงก็เอาความร้อนนะจุ่มน้ำแล้วก็ดัดนะเล็งดูเขาก็ยังใช้ไฟใช้ความร้อนเป็นเครื่องมือในการดัดลูกศรเหล่านั้นได้หรือแม้แต่ไม้คุณไม้เป็นท่อนๆมาช่างไม้เขายังถากไม้ออกกบสายเอาเลื่อยป่าตรงนั้นปาตรงนี้ทาเป็นเฟอร์นิเจอร์ทาเป็นอุปกรณ์ชิ้นงามๆออกมาได้เขาก็ยังมีอุปกรณ์ของช่างไม้ในการที่จะทำไม้นั้นให้เป็นไปตามที่เขาต้องการได้สัตว์ทั้งหลาย นะีจะเป็นวัวเป็นช้างหรือเป็นมา้าก็ยังฝึกได้นะเป็นสิ่งที่มีจิตมีใจยังฝึกได้นะโดยใช้เครื่องมือในการฝึกเช่นใช้อาดยาบ้างใช้ศาสตราบ้างมนุษย์เราท่านฟังมนุษย์เราก็มีจิตมีใจเหมือนสัตว์นั่นแหะนะีก็สามารถฝึกจิตฝึกใจนี้โดยใช้เครื่องมือคือธรรมะซึ่งไม่ต้องใช้อัดยาด้วยซ้ําไม่ต้องใช้ศาสตราด้วยซ้ําเรายังฝึกได้ดูตัวอย่างองค์กุลิมาน แต่เป็นโจรใจบาปหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดมีใจมุ่งมั่นในการปราดประหารยังถูกฝึกได้จิตของท่านยังฝึกได้ด้วยเครื่องมือนี้ที่ไม่ต้องใช้อาทยาที่ไม่ได้เป็นไปด้วยสาราแล้วทําไมจิตของเราจะฝึกด้วยเครื่องมือคือเราหมายใจจะฝึกด้วยเครื่องมือคือสติที่ไม่ต้องเจ็บตัวด้วยไม่ต้องถูกลงอาทยาด้วยทําไมมันจะฝึกไม่ได้เรามีเครื่องมือต้องเยอะแยะในะอนุสติสิบนี่ที่พูดถึงนี่ เราจะเลือกถึงพุทธชาก็ได้เป็นพุท ธ, ธานุสติเราจะเลือกถึงธรรมก็ได้เป็นธรรมานุสติสังขานุสติระลึกถึงความตายก็เป็นมารณานุสติระลึกถึงลมหายใจก็เป็นอาณาปานาสติระลึกถึงศรัทธาศีลจาระปัญญา ก, ก็เป็นเทวตานุสติเครื่องมือนี่สักอันใดอันหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอาทยาหรือซ้ำไม่ต้องเกี่ยวข้องด้วยศาสตราหรือซ้า ม, มันยังจะต้องฝึกจิตของเราได้แล้วทําไมเราจะไม่ทาทําได้ท่านฟังทําได้เรื่องนี้ไม่ได้ยากเลย อยู่กับเราตัวเราเองนะอยู่ที่ว่าเราจะทำไหมเราเห็นตัวอย่างของสิ่งที่แม้ไม่มีจิตแม้ไม่มีใจมันยังทำได้สิ่งที่มีจิตมีใจนะเช่นสัตว์มันยังทำได้คนหยาบช้าก็ยังฝึกได้แล้วทำไมฉันเองไม่ได้ชั่วช้าขนาดนั้นไม่ได้หนาขนาดสัตว์แล้วก็เป็นสิ่งที่มีจิตมีใจด้วยก็ยังต้องฝึกได้สิขอให้ทาวันนี้ข้าพเจ้าพระบุญก็ขอลาไปก่อนจเจริญพร